<c oughs> ทานการบริจาคการสละที่จะมีจิตใจน้อมไปในการให้ทานเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากเพราะอนุสัย <c oughs> อนุสัย เร่ว่าความเคยชินที่มันมีต่อจิตใจ <c oughs> จิตใจที่สัมะยุติกับความเห็นแก่ตัวความไม่รู้จักประโยชน์ในการสละมันมีมันมีมากเป็นนิสัยเป็นอุปนิสัย มีการจะรู้การจะมีความเห็นประโยชน์ในการสละออกเนี่ยที่จะเรียวกว่าให้ทานฐานะการให้จาคะความสละสละความหวงแหนความเห็นแก่ตัวอันนี้เป็นเส้นทางของนักปราชของนักปราชบัณฑิต ซึ่งมีมาประจำโลกนี่ซึ่งมีแฝงอยู่ในโลกคือมูสัต์นี่แหละ <c oughs> หรือนักปราบบัณฑิตหรือพระโพธิสัตว์ู้ปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากวัฏสงสารก็ <c oughs> มีมาโดยลำดับเ <c> พ <oughs> ระญญาะฉะนั้นจึงเป็นทาง เป็นทางที่จะเปิดสิ่งปกคลุมจิตใจที่เรียกว่าอนุสัยคือความหวงแหนความมืดหรือจะพูดรวมเข้าไปก็เรียกว่าอาวิชาเป็นธรรมของเป็นธรรมของกิเลสเป็นธรรมของ ทานไม่เป็นธรรมของบัณฑิตทานการให้เป็นธรรมของบัณฑิตเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยเรื่องการให้ทานการฝึกกิตใจให้รู้จักความเสียสละรู้จักความช่วยเหลือรู้จักการแจกการแบ่งจึงเป็นประตูแรก <c oughs> ที่จะนำไปสู่ความสละ ตัวสละตนสละความดีความชั่วทั้งหลายที่เกิดจากการกระทำผู้รวมเรียกว่าสละกรรมสละกรรมที่ไม่ดีให้เหลือแต่กรรมดีคือการกระทำกรรมดีและสุดท้ายก็สละทั้งกรรมดีอีกจึงจะเป็นผู้หมดการงาน น, นี่เป็นสิ่งที่ทาได้ยากเพราะฉะนั้นเบื้องตน้นพระพุทธเจ้าจึงได้สอนทานกถ า, อ, าอันนาอันนี้สงของการให้การบริจาคการเสียสละก็รวมอยู่กับกายใจ <c oughs> ของเรานี่แหละ สีละคาถาการทำกายจิตให้เป็นปกติให้บริสุทธิ์เป็นปกติเป็นความเยือกเย็ยนเพราะไม่มีโทษก็กายใจสวรรค์คาถาพันรนาผลเมื่อมีการสละการบริจาคทานหรือมีการ รักษาศีลงดเว้นจากโทษก็ยังความสุขในปัจจุบันหรือความสุขในสัมปรญยภพเบื้องหน้าก็กายใจของเราเนี่ <c oughs> เกิดอยู่ที่นี่สวรรค์แล้วก็เหตุที่ให้เกิดความร้อนความทุกข์ เน่ว่าราคะขินาโทสักินาโมหะินาให้ร้อนให้เป็นไฟเพราะความหลงความไม่มีสติไม่มีปัญญารู้ตัวดูนอกรู้ในรู้กายรู้ใจของตนเองรู้กายรู้ใจของผู้อื่นความหลงนี่ก็ปิดเป็นเหตุให้เกิดความ อยากความปาถนากลายเป็นราคะเป็นโทสะเป็นโมหะนี่ให้เกิดเป็นไฟเพราะความหลงในรูปเสียงกินรสหลงในทรัพสมบัติพัฒสถาน ที่มันเป็นสมมุติเนี่ยเราะจริงต้องมีศีลมีการปฏิบัติศีลถึงมีการปฏิบัติให้รูดโทษกามทินนกพทธเจ้าสอนให้พิจนาโทษแล้วก็สละ การที่จะสละความครอบยิดไปติดไปลงได้ก็ต้องเจริญสติสมาธิปัญญารวมเข้ามาอยู่ที่นี่ไม่ได้อยู่นอกเหนือไปจากข้อปฏิบัติตายวาจาใจของเราเพื่อความสุขอันยิ่ง เพื่อความสุขที่เป็นอมตะที่ท่านเรียกว่านิรามิสสุขความสุขที่ไม่เชี่ยวพลด้วยอาิมธคือปฏิบัติให้เกิดปัญญามันจริงจะ เห็นโทษเห็นคุณเห็นโทษเห็นภัยของการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารก็ต้องมาสร้างบาปสร้างกรรมรกว่ากรรมวัดกิเลสวัดกรรมวัดวิปากวัดรพุทธเจ้าจึงมาสอนหนทางปฏิบัติออกจากทุกข์ ยิงว่าทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญาเป็นการฝึกอบรบมบ่มจิตใจของเรากายวาจาเขามีใจเป็นใหญ่นี่ยึงว่าใจเป็นใหญ่ในกายในวาจาหรือใจเป็นใหญ่ในกายยึงต้องอบรบมบ่มใจ ด้วยข้อปฏิบัติคือเจริญสติทำให้มากสติกำหนดรู้รู้กายรู้จิตทำให้มากด้วยความเพียรไม่ทอถอยเห็นโทษเห็นภัยของกิเลสความรุ่มหลงเห็นโทษเห็นภัยของความยึดความหลงใน รูปเสียงกินรสสมบัติทั้งหลายทั้งครวงคือสิ่งที่เราอาศัยน่แหละแต่ว่าให้รู้ให้รู้ว่าอาศัยได้ขนาดไหนมีประโยชน์ต่อกายต่อจิตของเราขนาดไหน <c oughs> สิ่งที่เราสแสวงหากันเนี่ยโลกียสุ ข, สขในโลกนี่สุขเพราะความไม่มีโรคไม่มีภยัย สุขเพาะความมีร่างกายสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วก็ไม่มีโรคไม่มีภยัยสุขเพราะมีสติปัญญาสแสวงหาทรัพย์สมบัติเป็นที่พึ่งที่อาศัยได้นี่ท่านเรียกว่าสุขเพาะความมีทรัพย์สุเพราะความมีบุตรมม ธ, ธิดาสามีภรรยาที่ประกอบด้วย เมตตามันก็มีมันก็มีอยู่แค่นี้แต่ถ้าว่าหลงไปเป็นเรื่องของกิเลสความหลงไปอีกมันก็จะทำให้เกิดทุกข์มากนี่ท่านจริงว่าโลกิยะทมโลกิยะสุขให้ความสุขนิดหน่อยแต่ถ้าหลงแล้วจะให้ความทุกข์มากไม่เหมือน สุขในโลกุตรธรรมไม่เหมือนความสุขด้วยความมีศีลมีสติมีสมาธิมีปรรัญญาอันนี้จึงเป็นความสุขที่เลิศ <c oughs> เลอเพราะธรรมนี่แหละเพราะศีลเพราะธรรมเพราะฉะนั้นตั้งอยู่ในความไม่ประมาทในธรรมะของพระ เ, เจ้า ประชุมรวมลงสู่ความร ว, รวมลงในความไม่ประมาททำทั้งหลายทั้งปวงรวมลงในความไม่ประมาทเหมือนรอยเท้าสัตว์ในโรคนี้รวมลงในรอยเท้าแห่งช้างเป็นรอยเท้าที่ใหญ่กวัวสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงทมของพระเจ้าทำทั้งหลายทั้งปวงรวมลงมาในฐานแห่งความไม่ประมาท ความไม่ประมาทก็คือความมีสติระลึกรู้รู้กายรู้จิตรู้กายรู้จิตรู้กายรู้จิตอยู่ทุกขณะจิตรู้เหตุรู้ผลความมีสติระลึกรู้สัมปชัญญะรู้ตัวนี่แหละขยันขยันทําสติรู้ตัวรู้ตัวไม่เผลอสมาธิ จิตจึงจะมั่นคงในการรู้ดีรู้ชอบจึงจะมั่นคงในตัวเองไม่จิตไม่เบาจิตไม่เบาไม่ลอยไปตามอารมณ์แห่งความหลงความเผลอเลอเพราะทำความเผลอเลอไม่ให้เกิดขึ้นแต่ปัญญาความวิจัยวิจารณ์ความสอดส่อง ในเหตุและผลนี่ก็ทำงานกลมกลืนไปท่านเรียกว่ามัคสมังคีสติสมาธิและปัญญาประชุมกลมกลืนกันด้วยความไม่ประมาทน่นเรียกว่าเป็นผู้ไม่ประมาทไม่ประมาทในกายในจิตไม่ประมาทในความเผลอเลยสติ ไม่ประมาทในการฝึกตนตั้งใจไว้มั่นคงในการทำความดีไม่ประมาทในการสอดรู้สอดเห็นธรรมวิจยะในขณะจิตเ <c oughs> <c oughs> มื่อไม่ประมาทมันก็เป็นศีลก็เป็นธรรมเป็นสติเป็นสมาธิเป็นธรรมกลมเกืนกันกับ ใจใจกลมกลืนกันกับธรรมได้ชื่อว่าเข้าถึงพุโทโธธรมโมสังโฆเข้าถึงพระพุทธเจ้าเข้าถึงธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเข้าถึงผลแห่งปัญญาที่เรียกปฏิเวทธรรมก็จะนําออกจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงโดยชอบได้นีใ่ใจไม่มี ไม่หลงในความให้เกิดความทุกข์ใจมีสติมีปัญญาเป็นใหญ่จะอยู่ด้วยความสุขความสบายเรียว่ามีธรรมเป็นใหญ่ในใจอันนี้เป็นสมบัติอันร่ำเลิศสมบัติในสมมุตินั้นมัน มีส่วคู่ส่วคณะนิดๆหน่นอยๆมันกำจัดทุกให้ขาดลอยไปไม่ได้เพราะนั้นผู้เข้าถึงธรรมผู้เข้าถึงธรมธรมทำเข้าถึงใจหรือพุทธโธพระพุทธเจ้าเข้าถึงใจใจเข้าถึงพุทธะความรู้ตื่นเบิกบานจึงเห็นคุณค่าของธรรม จึงไม่ยอมเป็นทาสของอาธรรมเช่ <c oughs> <c oughs> นยามพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารู ร, รู้อยู่ว่า <c oughs> บุตรของพระ อ, องค์พระเจ้าเสด็ ต, ตูจะยึดอำนาจจะฆ่าพ่อเพราะต้องการอำนาจ อำการสมบัติในโลกียะนี่คือความเป็นกษัตริย์ความเป็นผู้มีอำนาจแทนบิดาพระเจ้าพิมพิสารก็ไม่ฆ่าไม่ฆ่าลูกนูน้นตั้งแต่ลูกที่โหนทายนาง เ, าเวเทหิตตั้งคันและอยากกินเลือดของ สามีน่ะโหนทายบอกว่าลูกนี่เกิดมาแล้วจะฆ่าพ่ อ, อมแม่จะฆ่าลูกให้ตายตั้งแต่อยู่ในคันมไม่ให้เกิดเพราะถ้าเกิดมาแล้วจะฆ่าพ่ อ, อแต่พ่อรู้แล้วว่าลูกจะเกิดมาจะฆ่าพ่อห้ามไม่ให้มเหสีทำลายคันเดียววให้ ความเมตตาให้โอกาสคนเรามันต้องทำดีได้มีวิธีทำให้ทำดีได้เพราะฉะนั้นเมื่อเกิดมาเราจึงตั้งชื่อว่าอั ช, ชาติศัตรูผู้มีชาติเกิดมาแล้วไม่ไม่มีศัตรูไม่ทำศัตรูกับใครแต่ที่สุดก็ยัง เมื่ออยากกินเลือดพระเจ้าพิานพิสารก็กรีดเลือดต้องตัวเองให้มเหสีดื่มกินเพื่อหายเขาเรียกว่า <c oughs> แพ้ท้องพอ <c oughs> เกิดมาโตมาก็ต้องการอำนาจอยากได้อำนาจพระเทวทัตหาวิธี สว่าต้องฆ่าพ่อเอพระเจ้าพิมพิสารลูกก็ยกอำนาจให้ยกบัลลังก์ให้ไม่ฆ่าลูกถ้าหากาเป็นผู้อื่นก็โอ้มันจะฆ่าพ่อจนพ่อก็ฆ่าก่อนอันนี้ไม่ฆ่าเพราะมีธรรมเพราะพระเจ้าพิมพิสารมีธรรมมีเมตตาธรรมมีปัญญาธรรมทายในจิตเห็นว่า ความเป็นธรรมนั่นแหละเป็นสมบัติอันล้ำเลิศไม่ใช่ว่าราชบัลลังก์หรืออำนาจจะเป็นสมบัติที่ให้ความสุขแท้จริงเห็นธรรมสมบัติธรรมเป็นธรรมที่จะตัดบาปตัดกรรมตัดความทุกข์ทั้งหลายไม่ฆ่าไม่ฆ่าบุตรสุดท้ายบุตรก็เอาพ่อไปขัง เนี่ยพระอริยเจ้าที่ถูกถูกคุมขังในข้างพุทธการก็พระเจ้าพิมพิสารเพราะท่านเป็นพระโสดาบันแล้วภูมิกิตภูมิธรรมบรนรุภูมิธรรมแห่งพระโสดาปฏิผลแล้วลูกก็ไปขังขังก็อยู่นั่นแหละเดินจงกมรมทำสมาธิภาวนาพิจารณาธรรมอย่นันก็มีความสุขไม่ได้มีความทุกข์เพราะถูกคุมขังเป็นสุดท้ายก็ ภูมิคุมคังไม่ให้บริโภคอาหารสุดท้ายพระเจ้าพิมพิสารก็อยู่ด้วยอารมณ์แห่งธรรมะที่ระ ล, ลึกถึงพระพุทธเจ้ามองเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นลงเขาขีดสะกดก็มีความ สุขเรียกว่าได้ธรรมะเป็นอาหารได้ปิติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมคือความรู้ความเห็นรู้ละรู้วามเป็นอาหารของใจเมื่อร่างกายนี่มันแตกดับไปแต่ใจเป็นผู้ที่ไม่แตกดับไม่ทำลายก็มีธรรมเป็นอารมณ์ของใจนี่ก็ไม่ได้มีทุกข์อะไร <c oughs> นี่พระ อริยาเจ้าพระโสดาบันถูกคุมขังแบบพระเจ้าพิมพิสารนอกจากนั้นสู้ที่ถูกทําลายถูกฆ่าถูกเผานางสาวมาวดีถูกเผาปราสาสตรเพราะว่าอาการเหล่านั้นมันเป็น เ, นเรื่องบุพกรรมเก่าถูกเผาปราศาสตร์ร่างกายเนี่ยมันก็ร้อนมันก็ทํำลายแต่จิตใจที่มีธรรมนั้น ยังมีความรู้ตื่นเบิกบาน่างสามอาวดีพร้อมทั้งบริวาลห้าร้อยได้ว่าอยู่ด้วยธรรมะนั่นจึงมีความสุขแท้จริง <c oughs> พระเจ้าสอนให้ปฏิบัติเป็นธรรมให้กายเป็นธรรมวาจาเป็นธรรมจิตใจนั่นะส่วนที่สำคัญ เพราะฉะนั้นการสู้ลบขบกัดกับความหลงคือกิเลสกิเลสคือความหลงธรรมะคือความรู้ธรรมะเรือพุทธธรรมะสังฆะคือความรู้รู้ตื่นเบิกบานด้วยเหตุผลแล้วก็สลัดความหลงในกิเลสในธรรมะนะ <c oughs> สลัดออกด้วยความรู้ ตื่นเบิกบานจึงว่าสละด้วยสีนสมาธิปัญญาเพราะฉะนั้นไม่มีสิ่งใดที่จะให้ความสุขต่อจิตใจของเราอย่างแท้จริงนอกจากธ ร, รมเท่าน mm ั hmm. ้นแหละนอกจากพระพุทธพระธรรมพ mm hmm. ระสงฆ์คือข้อปฏิบัติ mm hmm. ตามธรรมะคำสอนของพพุทธเจ้าคือเจริญสติสมาธิปัญญา เพราะฉะนั้นรวมเข้ามาสู่จุดนี้ี่ว่าใจเป็นมหาเหตุข้อปฏิบัติที่บริสุทธิ์บริบูรณ์อันนั้นเป็นเหตุที่จะกําจัดทุก์เพราะฉะนั้นรวมสติสมาธิปัญญาเข้าสู่ใจมีความมุ่งมั่นในการรู้การเห็นการควบคุมจิตใจของเราเอาชนะจิตใจด้วยสติ สมาธิปัญญาก็จะเป็นการเพิ่มพูนบุญกุศลหรือบุญเต็ม เ, เต็มสุดท้ายเต็มสุดยอดเนี่ยเต็มด้วยปัญญาด้วยภาวนาเพราะฉะนั้นเนี่ยจิตภาวนาเนี่ยเป็นบุญละเอียดทานก็เป็นบุญศีลก็ เ, เป็นบุญภาวนาเนี่ยเป็นบุญละเอียดเพราะฉะนั้น ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทอย่าทอดทิ้งตัวเองคือใจด้วยความมีสติมีปัญญาสอนจิตสอนใจของเราให้เห็นโทษของสิ่งที่มันเป็นโทษเป็นพิษเป็นภยัยโลกียะสุขความสุขเพราะมีทรัพสมบัติสุขเพราะรูปเสียงกินรถมันก็สุขแค่นั้นแหละสุขเพราะยืนเดินนั่งนอนสบายสบาย อสุขเท่าที่เราลู่ๆูเห็นเห็นกันสัมผัสกันอยู่นั่นแะว่านอนสบายอยู่สบายไม่ต้องทำอะไรนอนสบายถ้านอนมากๆอย่างคนเป็นอมาพาสอมพึ่งจะเป็นยังไงเ <c oughs> นี่ยมันก็ไม่สบายอยีกได้นั่งอยู่สบายไม่ต้องทำการทำงานก็เหมือนกันแะมันก็อยู่ได้สัว่วคู่สั่วคณะท่ า, น, าทนั้น เพราะฉะนั้นมันต้องเปลี่ยนแปลงมันต้องมีการมีงานต้องเคลื่อนไหวไปมาเนี่ความสุขเกี่ยวกับร่างกายเนี่ยนีเท่านั้นความสุขอันยิ่งสุขเกี่ยวกับกจิตใจที่มีศีลมีสมาธิมีญาณมีฌานแห่งความรู้ั่นนั้นเป็นความสุขอันยิ่งเพราะฉะนั้นอย่า ทอดทิ้งอย่าไปเห็นความสุขที่จะเกิดจากเรื่องอย่างอื่นมีความสุขในธรรมท่านั้นแหละเป็นความสุขอันยิ่งความสุขในมรรคแปดก็คือในศีลในธรรมในสติสมาธิปัญญาจึงควบคุมกายใจด้วยศีลด้วยธรรมด้วยสติด้วยปัญญาแ ต, แต่นั่นก็จะประสบพบความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไป ด้วยบุญกุศลคุณงามความดีที่ได้กระทาบำเพ็ญมาโดยตลอดในอดีตและในปัจจุบันก็จงรวมเป็นอาระเป็นกำลังแห่งบุญกุศลกำลังแห่งสติสมาธิปัญญาหนุนนำดวงกิจ ด, ดวงใจของพวกเราท่านทั้งหลายให้รู้ดีรู้ชอบก็กอบด้วยธรรมแม่ปราถนาสิ่งใดเป็นไปโดยชอบ